อ่คุณวุทฒิเป็งไงมีประชี้เลยไม่ได้มาด้วยกันเป็นไงภาวนาก็พยายามปีบังแล้วก็จะเห็นเห็นจิตมันเป็นเห็นมันไปอยู่ต่างหากดีแล้วมีบางคนตกใจนะดูไปดูไปหาตัวเราไม่เจอเจอไหมเจอตัวเราไหมแค่จิตอยู่ต่างหากแล้วเราอยู่ที่ไหน น, นี่ไงมันยังเหลือเราอยู่ไม่มีเราดูนะ ม, มีแต่ธรรมชาติที่ไปรู้ธรรมชาติที่ถูกรู้เนี่ยไม่มีเราไม่มีเรารู้แ <c oughs> ค่ดูไปแล้ความเป็นเราเกิดจากความคิดถ้าเรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากโลกของความคิดก็ามเป็นเราก็ไม่ไมีได้ยังคิดอยู่นะยังเป็นเราอยู่ที <c oughs> ละลราใครดูไป นบนเป็นไงห้ามไม่ได้เพราะว่าจิตมีหน้าที่คิดเป็นบัดมกนดมกเหรอทำให้นั่งห่า ง, ง, งดีแล้วคุณพุทธจิตก็ดีนะรู้สึกตัวได้เยอะรู้สึกเลยๆรู้สึกปล่อยๆ จันจุนว่างไงจันจุน<ส>พิณชษพอลเลยชักกลุ่มใจก็ดทีท น, นะรู้ไปเ้วยใจค่อยๆถอดถอนออกรู้ได้บ่อยไหมจันพ่เชษพอลเป็นไงคิดตลอดเรื่องธรรมดาจิตมีหน้าที่คิด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 หาเราไม่เจอบางคนตกใจน ะ, จะไปเห็นแรกๆตกใจกลัวว่าเราหายไปไหนบางคนถ้าตกใจขึ้นมารู้ทันแล้วตกใจจนใจเป็นกลางใแล้วก็ใจแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่มีเ ร, รา้าทิมในตอบคือน้ำมันาถูกป่ะเป็นไงคือน้ำมันราได้เข้าไปเห็นสถานะที่จิตมันแตก นั่นนั่นแหละดีแล้วนะที่จะมาห่วงคุณอมลาตรงนี้ถึงบอกให้พบสองคนนี้สาวิกาคุณเนี่ยใช่ใช่ใช่ใช่หน้าดีนะคุณอมลา เพราะว่าพอคนไปกวนมากเนี่ยเนี่ยลูกหลานพวกนี้แหละอีกวนทั้งวันทั้งคืนนะเหนื่อยเหนื่อยจิตก็ต้องเข้าไปหลบทีนี้หลบเป็นชินนะมันไม่เห็นว่าเป็นภพอันนึงมันทําให้เนินช้าตัวนี้ช้าเลยน่ะช้าเพราะว่าตรงนั้นไม่เดินปัญญาละมันจะพอใจนิ่งๆน <c oughs> ี่ก็คลายเอง <c oughs> ดีแล้วนะคุณนรมราภาวนาดี อีแล้วละใจดูไปเรื่อยตัวตนอะไรไม่มีนะดูไปภาวนามาถึงตรงนี้ก็ตัวไทยตัวหมันละคุณศิวุธิาภาวนาไม่ภาวนาก็ไม่เอาละไม่ไม่นัดละไม่นัดพบแล้วที่ทางช้างเผือก นี่พอพอาวนามาจนถึงใจเป็นว่างวๆางวางไปนะโอ้ oh, มันไม่เอาละลูกหลานอะไรนี่นะใจนี่เอานิพพานใจมันจะไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอะไรสบายมีความสุขแต่ถ้าใจเราแอบไปสร้างพบนิดหนึ่งเราเห็นนะใครเห็นเรื่อย อันไหนที่รู้ทันแล้มันก็จะหลอกไม่ได้อันไหนรู้ไม่ทันก็หลอกเราอีกสร้างภมแบบเนี้ยสร้างไปเรื่อยเืย <c oughs> นกดีนะนกนกดีนะ <c oughs> หนูหนาก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังแกล้งทํานิดหนึ่งดูออกไหมที <c oughs> ่ไปแกล้งทํามันเรานักปฏิบัติชอบไปทําคําว่าปฏิบัติมันหลอกหลอนเรา คำว่าปฏิบัติมันแปลว่าทำเลที่จริงเราแค่รู้เท่าน่ะรู้ทันพฤติกรรมของใจอย่างคุณแม่มาราก็รู้ทันไอ้มันเหนื่อยมันหนีเข้าไปพักรู้ทันคุณสีบุตรเป็นไงคุณสีบุตรเวลาไปหาดับว<ฮ>่ามาตกมันไปเองเปิ่งที่มันแฝงอยู่ไหนห้าดีมาองคาไหม ก็ S 1> <S 1> <S ด, ดีนะดีดีน่าดีแล้วคุณดีไวเทนนะไอชิงแชมป์น่ะไม่ค่อยยากนะไอรักษาแชมป์เหนื่อยเวลาสติบัดไปเรื่อยเรืยไม่เป็นไรอ่ะแต่พอคูบาทจารย์ชมนะอันนี้เริ่มยดแล้วทำเจ้าชมผูได้ชมผู สมัมผูภาวนาดีในวัดไหนครูบาอาจารย์ชมนะเพรชมไปสองวัดเท่านั้นะเป็นแชมป์เหนื่อยจิตเสื่อมไปสองเดือนนะเพราะว่าเป็นแชมป์นะแชมป์แชมป์ ม, มันต้องรักษารักษาก็คือต้องไปทําอะไรให้มันมากกว่าเก่าทําจริงก็แค่รู้ทันรู้ทันนะจิตแอบไปทําอะไรก็รู้ทันไปเรื่อย ึงกระทั่งวันหนึ่งมันเลิกเลิกทาเป็นอิสระขึ้นมาคุยในเวลาดีนะดีแล้วไ่ด้วยกันนะ <c oughs> ทิ้งคนตีวุธิไปกาธรรมา <c oughs> นกเป็นไงนกทำไมวันนี้ดีขึ้นมา <c oughs> เออแน่หละมันดีก็ตรงนี้แหละไม่ได้ทำแต่ไม่เผลอคนส่วนมากพอไม่ทำหรือไม่ประคองไว้ก็จะเผลอไปเลย มันสุดโต่งสองข้างหันใหม่ๆแล้วก็มันประคองนิดนึงเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานะเรารู้ทันเราไปคคลายออกคลายออกมีพระองค์หนึ่งมาเจ็บวัดป่าสุขโตท่านมาเป็นทีมอะหัวหน้าทีมท่านภาวนาพอท่านเห็นว่าท่านเพ่งไว้นะท่านคลายออกนั่นพอดีของพวกเราเราไม่เพ่งไว้นะเราคลายออกนะ้ำก็หลงเลยมันจะสุดโตง นี่ถ้าฝึกไปเรื่อยจนจิตใจมีทักษะมากขึ้นพอปล่อยแล้วมันไม่หลงไปรู้แบบไม่ได้บังคับอ่ะรู้แบบไม่ได้จงใจถ้ารู้แบบนี้ได้นะโอ้เส้นทางนี้สั้นนิดเดียวแต่ถ้ารู้แบบต้องบังคับไหมพอไม่บังคับหลงเลยนะี่ยก็ต้องซอบให้เยอะจนกระทั่งจิตมันคุ้นเคยที่จะรู้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชิน มันเคยชินจะหลงไปมันก็จะหลงนี่เราหัดเคยชินใหม่หัดรู้สึกหัดรู้สึกนะมันเกิดความเคยชินอย่างใหม่เคยชินที่จะรู้สึกเคยชินที่ว่าผลายแวบไปก็รู้สึกไหลแวบไปรู้สึกมันจะขึ้นมาเองมันจะรู้สึกเองนไม่ได้เจตนาะคุณเอาเวลาเข้าไปละเเวล า, านะแอบเข้าไปละดูออกมาเองอ๋อเหรอเคยมาไหมคนนี้หน้าตาเคยเห็น คนนั้นจำไม่ได้คนนี้ยังจาได้อยู่เอาส่งกันบ้านเครมาแล้วคนริงไปเรียนกับคุณแม่มาลาก็ดีแล้วนะเป็นมาลายแคะพวกที่ติดติดรูดออกมาได้เยอะเลยแค่ท่าน้องออกมาได้นี่เก่งหนูนาเหลือหนะน่อยๆนะเดี๋ยวดีแลแต่อย่ากวนคุณแม่เยอะนะไปให้ท่านบอกแนวให้แล้วเราต้องทำเอง อย่าไปนั่งเฝ้าไปทำหน้าเออเออเฝ้าทั้งวันไม่ได้นะปลื้มปลื้มปลื้มปลื้มอย่างนี้นะไม่เอาเลยนะเดี๋ยวเชื่ออ่อยมันจะไม้น้าสามนวดให้บอกอืมอ่ใครไล่ล่ะเชื่ออ่อยไล่ล่ะหรือ อ, อ๋อดีดีบางคนต้องไล่นะต้องต้องครูบาจารย์ต้องดุก็ติดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต้องแกล้งดุ ดูด้วยเมตตานะไม่ใช่ว่าดูด้วยเกลียดชังอย่างคนไหนจิตนะมาแล้วมาปลืม้มมาปลื้มกับหลวงพ่อครั้งสองครั้งไม่ว่านะครั้งที่สามหลวงพ่อจะเล่นงานแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาปลื้มนานไปเอาผู้พิพากษาว่างไงก็เีถามปัญหาจากท่านอาจารย์สิวิกับท่นอาารยอมานะ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 ตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมพออาตมาพูดให้ฟังก็ฟังแล้วก็หนีไปคิดคิดตามอ่ะคิดทบทวนสิ่งที่อาตมาพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวธรรมชาติของทุกคนเมื่อฟังแล้วต้องคิดนี่เป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อคิดแล้วเนี่ยให้รู้ทันไวๆว่ากําลังหลงคิดอยู่อย่างขณะเนี้ยใจหนีไปคิดแอบ ไหลแวบไปให้คอยรู้ะรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆเราจะตื่นขึ้นมาหนุ่มนั่นน่ะมีจีวรอ่ะรู้จักหนีไปคิดยังไม่ไม่ทันไม่เป็นไรนะให้รู้ก็แล้วแต่ให้รู้ตามหลังไม่รู้ทันหรอกการดูจิตเป็นการตามรู้อาการเกิดขึ้นก่อนเรารู้ว่ามีอาการอย่างนั้นนะไม่ใช่รู้ให้ทันนะ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 ก็ไม่เป็นไรนะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะงั้นอย่างเรารู้สึกขึ้นมาเอ้ยนี่ถูกหรือไม่ถูกนะรู้ว่าสงสัยรู้ว่าสงสัยก็คือรู้ถูกละใจจะตื่นขึ้นมาเนี่ยหนีเพิกละรู้สึกไหมพยายามละไม่พยายามให้รู้ทันไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้จักใจลอยไหมคนที่เลี้ยงแมวกันนูเนี่ย okay, okay. ใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่ง นานไหมยโอ้ยบ่อยกันนานนะมันต้องกลับข้างกันเป็นปฏิภาคกลับถ้าบ่อยมันก็ไม่นานสิถ้านานมันก็ไม่บ่อยนะ <c oughs> ทั้งบ่อยทั้งนานไม่ได้นะผิดความจริงเนี่ยไปแล้วรู้ไหมรู้เรื่อยๆนะรู้เคยฝึกมาไหมไ <c oughs> ม่เคยค่ะไม่เคยมาทางนี้ค่ะแล้วแล้วทำไมฟังแล้วรู้เรื่องเร็ว <c oughs> ทำไมรู้ทันใจตัวเองวิ่งหนีไป นอนอเรียนกับคนเนาะ บ, บางคนเรียนกับเทวดาบอกเทวดาแนะ น, นํามีคนแนะนำใช่ไหมใจลอยไปอีกรล้วรู้ไหมรู้ไปอย่างนี้นะรู้เรื่อยๆนี้สุดจะรู้สึกตัวคนในโลกน่าสงสารที่สุดเลยใจลอยทั้งวันหลงไปคิดทั้งวันเลยไม่รู้สึกตัวนี่ไปอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมว่าไปบ่อยๆไม่ห้ามนะ แต่พใจลอยไปแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกตรงที่ใจลอยไปใจฟุ้งซ่านไปเป็นจิตอกุศลตรงที่รู้สึกรู้ทันว่าใจลอยเป็นกุศลใ น, นี้สุดปัญญามันเกิดถ้าจิตที่เป็นอกุศลนิ้วห้ามมันไม่ได้จิตที่เป็นกุศลก็รักษาไว้ไม่ได้เนี่ยหนีไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันทำงานของมันเองก็มไม่ได้จงใจจะทำมันทางานของมันได้เอง เรบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราแล้วนะ่ะหนุ่มข้างหลังอ่ะรู้จักใจลอยย่างมาบ่อยๆอย่ะการส่งกันบ้านช่วงนี้พยายามัก็คือดูช่วงแรกที่คือว่าจงใจตอืมแล้วก็ทอเื่องไม่ทไม่ทาอะไรเลยใช่แต่ว่าแอปเปิอ ที่มันตัดได้ประสบการณ์คั้งที่นึ่งประสบการณ์ครั้งที่สองที่ที่เอามาพิจิก็คือช่วงที่แบบเราไม่ทำ 嗯 mm hmm.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 ปัญญาก็เห็นอย่างเดียวกันคือเห็นใจรักกันเริ่มต้นนั่งเพียงกันสไตล์เลยสายโน้นสายนี้มันเรื่องเด็กๆทะเลาะอ ก, กันถ้ <c oughs> นะจาจย์ทําเป็นแล้วจาย์ก็เห็นเลย <c oughs> เดี๋ยวจิตก็รู้กายเดี๋ยวจิตก็รู้จิตนะเลือกไม่ได้หรอกพิกไปพิกมาคุณสันติไม่มาเลยอ ว, วันนี้มาคนเดียว <c oughs> นี่ชื่ออะไรนะเห็นหน้าบ่อยชื่ออะไรนะ <c oughs> อ๋อคุณ <c oughs> ไผบูดเป็นไงส่งกันบ้านนะ่อย <c oughs> เราไปทำอะไรมาล่านะเ <c oughs> ดินใครเขาลังแกเดินใครเขาลังแกเอายัใใยางเท่งอยู่ยังจงใจประบของไว้ยังจริงจังมากไปแต่ให้คอยรู้ทันนะไม่ใช่ว่าให้เลิกนะก็คอยรู้ทันไป เมื่อๆก็พักผ่อนนะลืมลืมเรื่องปฏิบัติใปบ้านปฏิบัติหน้าทำเล่นเล่นะ่ะทำจริงจนะแต่จริงแบบเล่นเล่นะ่ะถ้าทำจริงจังเลยจะเครียดนะเครียดเครียดเครียดแข็งแข็งเบลอเลอย่างตอนนี้ใจหนีไปทำอะไรคุณไปบูดูออกไหมนี่ที่คิดตับถูกเหละ รู้สึกไหมตอนเนี้ยประคองไว้ละควบคุมแล้เนี่ยตรงนี้ดูให้ออกนะดูออกไหมไม่เป็นธรรมดาเออนะให้รู้ทันตรงนี้ยนะของคนติดอยู่ตรงนี้แหละเรื่องของมันน้ำเชื้อเรื่องของเราหน้าที่ของเรารู้ลูกเดียวเออนะนนถ้าถ้าเป็นเกรงเอ๊ะทำไงจะคลายนี่จะจะยุ่งละหาทางคลายนะจะยิ่งยุ่งใหญ่เลย เวลาจิตมันไปแช่กับอารมณ์นะเหมือนตกไปในบ่อโคลนนะอย่าไปดิ้นนะไม่ต้องดิ้นหาทางขึ้นมาดียิ่งดิ้นยิ่งจมทําใจสบายเดี๋ยวมุกโปรดขึ้นมาเองเพราะมันของไม่เที่ยงมนีไปคิดทราบไหมนั่นหละเนี่ยตรงเนี้ยปล่อยอย่างนี้รู้สึกไหมไม่เหมือนกันนะอยู่ไปอย่างเนี้ยนะแต่ต้องทาตามรูปแบบด้วยนะ